ก็กราบบูชาพรติตรตาไตรกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลว ง, งพ่อที่นหลวงพ่อคำเขียนถาวายความเคารพมาอยังพระอาจ า, า, ารย์ไพศาลหลวงพ่อกมครูบาอาจารย์พันเตเพื่อนศาสธรรมิกจรรญพรมาอยังไมช่ชีแล้ว ก, ก็อุบาสิกาทุกท่านก็นั่งกันตามปกติเนาะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันพุทธที่สองนะ เ, อเดือนกันยายนนะพุทธศักราช2558นะสำหรับช่วงเข้าพรรษาเนาะก็ผ่านมาได้เดือนกว่าแล้ว <c oughs> สำหรับพระที่บวชในช่วงเข้าพรรษาก็เหลือเวลาไม่มากเนาะเหลือเวลาแค่สักเดือนเสร็ จ, รจหรือเกือบสองเดือน แล้วก็ในช่วงนี้ก็มีกลุ่มมาศึกษาปฏิบัติซึ่งตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของวัดป่าสุกโตที่เป็นแหล่งเรียนรู้ แ, ลแหล่งฝึกฝนในการที่เราจะกลับมาเรียนรู้ที่กายที่ใจของเราซึ่งเมื่อวานท่านพระอาจารย์ไปสาลก็ได้ <c oughs> พูดถึงเรื่องกรรการฝึกฝนนะกายฝึกฝนใจในในส่วนของกายเนี่ยนะพวกเราคงจะได้เรียนรู้กันมาพอสมควรนะในส่วนของจิตใจเนี่ยนะก็คงจะมีพื้นฐานมาบ้างอาจจะมีประสบะการณ์มาบ้างนะก็ถือว่ามาต่อยอดนะหรือบางคนอาจจะยังใหม่อยู่นะก็ค่อยๆเรียนรู้ไป าการที่เรามาฝึกฝ น, นจิตใจด้วยการเจริญสติซึ่งอันนี้ก็เป็นบทเรีย น, นหรือเป็นแบบฝึกหัดที่สำคัญการฝึกฝนเรื่องจิตเรื่องใจด้วยการเจริญสติก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราได้กลับมาดูกายดูใจของเรา การดูกายดูใจของเราเนี่ยเราไม่ได้ดูด้วยตาเนื้อนะแต่เราดูด้วยตาใจนะซึ่งตาใจก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองภาษาบาลีเราก็เรียกว่าสติสัมปชัญญะเครื่องมือนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูให้ดีเราใช้มาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กๆนะเราสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยความคิดเราน้อยมากส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราจะใช้การสัมผัส หยิบจับสัมผัสรับรู้นะด้วยใจแต่เมื่อเราโตขึ้ น, นเราเรียนรู้เราใช้ความคิดกันมากซึ่งอันนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียงหายนะมันก็เป็นระบบการเรียนรู้อีกแบบนหนึ่งที่ใช้ความคิดหาเหตุหาผลแต่สิ่งที่เราจะเรียนรู้ที่กายที่ใจเนะี่ย เราอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยให้มากความคิดใช้ให้หน้อยที่สุดหรือไม่ต้องใช้เลยก็ได้ซึ่งอันนี้เป็นวิธีการศึกษาที่คนสมัยใหม่จะยังไม่คุ้นไม่คุ้นเคยเพราะเราคุ้นเคยกับการคิดนึกพิจารณาหาเหตุหาผลแต่การใช้ความรู้สึกตัวเนี่ย นะมันเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องใช้เหตุใช้ผลเลยนะไม่ต้องคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรใช้ความรู้สึกตัวที่เกิดจากการพัฒนานะหรือแล้วบางทีเราก็เรียกว่าภาวนาก็ได้ภาวนาหรือพัฒนาเนี่ยนะเป็นความหมายเดียวกันวิธีการฝึกก็มีหลายวิธีนะซึ่งพุทธเจ้านะก็ได้ พูดเอาไวนะ้นี่ตามครูบาอาจารย์ได้บันทึกเอาไวในะ้ในพระไตรปิฎกในมหาสติปัฏฐานสูตรหรือครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆท่านก็มาเสริมเพิ่มเติมหาเทคนิคอุบายาต่างๆนะที่จะให้เราได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นไวขึ้นนะซึ่งแต่ละวิธีนั้นก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกันนะที่จะให้เรากลับมารู้เนื้อรู้ตัวให้เรามารู้สึกตัว จริงๆความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วล่ะะแต่เป็นความรู้สึกตัวที่มีตามสัญชาตญาณก็เรียกว่าสติสา ม, มัญรู้ว่ากินข้าวรู้ว่าเดินไปนั่นไปนี่ <c oughs> รู้ว่าหยิบจับนะสิ่งต่างๆหรือรู้แม้แต่การทำงานทำการแต่ความรู้สึกตัวที่มีตามสัญชาตญาณเนี่ยนะมันไม่เพียงพอนะที่จะไป รู้ทันความคิดหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะความทุกข์ในจิตในใจเนะี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตรงนี้เพราะว่าเราไม่เคยได้มาฝึกไม่เคยได้มาเรียนรู้ธรรมชาติเนี่ยมันมีของแก้กัน มีร้อนก็มีเย็นมีมืดก็มีสว่างมีคิดก็มีไม่คิดก็คือความรู้สึกตัวตรงนี้นี่แหละนะเป็นกลไกลสาคัญนะที่เราจะนำมาฝึกฝนนะให้ความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมีความฉับไวขึ้นฉับไวกับความคิดฉับไวกับอารมณ์รู้เท่ารู้ทันความคิดปรุงแต่ง ความรู้สึกตัวหรือสติสมัมปชัญญะเป็นสิ่งที่เราคิดเอาไม่ได้นะแต่เราจะต้องลงมือกระทาลงมือกระทาด้วยสิ่งที่เราเรียกว่ากรรมฐานนั่นเองกรรมะคือการกระทาฐานก็คือที่ตั้งเอาการกระทาเป็นที่ตั้งนะซึ่งรูปแบบที่เราจะฝึกกันเนี่ยก็มีหลายวิธนะีในส่วนของวัดป่าสุขโตนะก็จะอาศัยรูปแบบนะที่หลวงพ่อเทียน นะท่านได้นำเสนอไว้นะแล้วก็หลวงพ่อคำเขียนก็ได้สืบต่อมาก็เรียกว่าการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวอย่างที่เราเห็นเราได้ฝึกกันนะการยกมือการเคลื่อนมือการสร้างจังหวะนะซึ่งรูปแบบนี้หลวงพ่อเทียนท่านก็พยายามปรับประยุกให้มันพเหมาะพอดีจากที่ท่านได้ไปเรียนรู้นะมาจากครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆนะจากประเทศลาว นะซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะฝึกได้เราสามารถจะทำได้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนอกจากการสร้างจังหวะก็มีการเดินจงกรมนะซึ่งหลักการมันก็อันเดียวกันนะั่นแหละนะก็คือการที่เรามาปลุกความรู้สึกตัวหรือปลุกสติเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วให้มันตื่นขึ้นให้มันฉับไวขึ้นให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้มันรู้เท่ารู้ทันกายที่เคลื่อนไหวรู้เท่ารู้ทันใจที่มันคิดนึกตรงนี้เนี่ยเมื่อเรารู้เท่ารู้ทันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็ทำให้เราเนี่ยนะทให้ใจของเราเนี่ยไม่โดนความคิดปรงแต่งครอบงำไม่ว่าจะคิดดีหรือคิดไม่ดีก็ตามคิดดีก็ดีบางทีมันก็ทำให้เราพอใจมีความสุขคิดไม่ดีและบางทีก็ทำให้เรามีความทุกข์ มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นทีนี้เมื่อเรารู้เท่าทัานตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะเกิดการที่ใจเนี่ยมันจะแสดงความเป็นปกตินะซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้นะของใจนะที่ไม่ถูกครอบงำนะด้วยอารมณ์ต่างๆด้วยความคิดพรุงแต่งต่างๆนะซึ่งสติปัญญาเนี่ยมันก็จะแสดงตัวอย่างชัดเจน ถ้าเราสามารถที่จะฝึกสตนะิให้สามารถที่จะรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งได้ตรงนี้จะทำให้เราได้สัมผัสนะกับความสุขที่เกิดจากความเป็นปกติของใจที่มีอยู่แล้วนะในทุกคนความสุขจากวัตถุภายนอกก็ดีจากสิ่งแวดล้อมก็ดีอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องอาศัยนะบรรยากาศอาศัยช่วงเวลา อาศัยความพเหมาะพอดีแต่การที่เรามาสัมผัสกับความเป็นปกติของใจนะซึ่งเป็นความสุขที่มีแล้วในจิตในใจของเราเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้ทุกเวลาถ้าเราเข้าใจกลไกลตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับเวลาไม่เกี่ยวกับสถานที่แม้จะอยู่ในที่วุ่นวายในที่สับสนนะซึ่งถ้าเราไม่ได้ฝึกมานะเราก็จะถูกสิ่งแวดล้อมเนี่ย ลากเข้าไปทําให้เรามีความสับสนวุ่นวายนะหรือว่าเกิดความหนัก อ, อกหนักใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่เมื่อเราฝึกมาแล้วนะเราก็สามารถที่จะประคับประคองนะหรือเอาสติเนี่ยเข้ามาช่วยในการคุ้มครองใจนะไม่ให้พัดหลงนะไปกับความทุกขนะ์เนื่องจากไปกระทบกับโลกนะหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นจุดสําคัญนะที่เราจะต้องอาศัยความเพียรความพยายามในการที่จะทําให้ต่อนเนื่องการฝึกเจริญสตินะจะเป็นในรูปแบบของการเคลื่อนไหวกรดีหรือวิธีการต่างๆก็ดีเนี่ยจาเป็นต้องทําอย่างต่อนเนื่องไม่ใช่ทําเฉพาะอยู่ที่วัดไม่ใช่ทําเฉพาะในรูปแบบอย่างเดียวในรูปแบบเนี่ยก็ต้องทําให้ต่อนเนื่องด้วย แล้วนอกรูปแบบก็คือในกิจกรรมกิจวัตรประจำวันเนี่ยก็ต้องเวยโอกาสเขาเปรียบเทียบคนโบราณเนี่ยนะเวลาเขาจะจุดไฟสมัยก่อนไม่มีไม้ขีดีเขาใช้ไม้มาสีกันเอาไม้ที่แห้งมาสีกันนะต้องสีให้มันจนร้อนนะร้อนแล้วมันลุกเป็นไฟขึ้นมาซึ่งก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้กันสีที่ต่อเนื่องมันจึงลุกเป็นไฟได้ การเจริญสติก็ดีนะก็ต้องทำให้ต่อเนื่องนะซึ่งความต่อเนื่องเนี่ยถามว่าต่อเนื่องขนาดไหนนะถ้าถ้าจะพูดกันอย่างให้ให้เต็มที่เลยก็คือตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนนั่นไม่ได้ไหมายความว่าเราจะตื่นมาก็นั่งสร้างจังหวะเลยไม่ใช่นะแต่ว่าเราตื่นมาเนี่ยตื่นมาด้วยความรู้สึกตัวอย่างไม่เช้าเราตื่นมาเรารู้สึกตัวไหม เราขยับกระเยื่นเคลื่อนกายเรารู้สึกตัวไหมเราแปลงฟันเรารู้สึกตัวไหมหรือขณะที่เราแปลงฟันเราก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เรารู้ถัานมันไหมเรากลับมารู้ที่การขยับกลับเคลื่อนในมือที่เรากำลังแปรงฟันอยู่ได้ไหมนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะ่วยโอกาสในการที่เราจะฝึกนอกจากการแปลงฟันการล้างหน้าการ ทาบตายอุจาระปัสสาวะเรารู้สึกตัวไหมหรือขณะที่เราทำกิจกรรมเหล่านี้เราคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นะคิดไปในเรื่องราวต่างๆใจไม่ได้อยู่กับเนื่อกับตัวไม่ได้อยู่กับสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าแลนะตรง น, นี้น้ำก็ทำให้เราพลาดโอกาสนะการฝึกเจริญสติที่ต่อเนื่องได้หลังจากเราทำธุระส่วนตัวเสร็จก่อนที่จะออกจาก ห้องจากกุฏิเราปิดน้ําปิดไฟไหมเราปิดประตูเรียบร้อยไหมอันนี้ก็เป็นสติเหมือนกันนะสติกับกิจวัตรประจําวันเดินมาหอไตรด้วยความรู้สึกตัวสวดมนต์ด้วยความรู้สึกตั ว, ว, น ม, น ว, ว, ม, ตวมีใจอยู่กับบทสวดมนต์พิจารณาบทสวดมนต์ถ้าเรามีสติเราจะสังเกตนะ บางทีมันก็มีแวบแๆนะคิดไปนอกจากบทสดมนเหมือนกันหรือบางทีบางคนอาจจะยังไม่คุ้นนะกับการต้องตื่นเช้าตีสามตีสก็ยังงงงงเงียเงียอยู่ความง่วงมันก็ชวนให้เราลืมไปได้เหมือนกันนะเออตรงเนี้ให้สังเกตดูเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจับกายกับใจเนี่ยนั้นเป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้นะด้วยความรู้สึกตัวใช้ความรู้สึกตัวในเป็นเครื่องมือสําคัญ ในการที่จะฝึกฝนนะให้เรากลับมารู้เนื้อรู้ตัวนะที่เรียกว่าเป็นการทวนกระแสความเคยชินนะกระแส อ, อารมณนะ์ที่เราคุ้นชินเราตื่นนอนตีสี่หรือตื่นนอนตีสามบางคนยังงงเงียอยู่เลยนะตรงนี้ก็ต้องฝืนฝืนมาหน่อยใหม่ๆก็ฝืนฝืนมาหน่อยนะตรงนี้ ก็จะเป็นส่วนสำคัญเพราะนั้นการฝึกเจริญสติเนี่ยถ้าเราจะทำให้ต่อเนื่องเนี่ยนะมันต้องอาศัยทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบนะแล้วก็ <c oughs> สิ่งสำคัญพยายามลดสิ่งที่มาทำให้เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวที่เห็นได้เด่นๆที่สุดก็คือเครื่องมือสื่อสารที่เราใช้กันอยู่นะแล้วมาอยู่วัดป่าสุโกโตเนี่ยอุสาเดินทางไกลมานะ มาวัดป่าสุโกโตแต่เรายังคุ้นชินกับการต้องติดต่อสื่อสารกับเพื่อนฝูงกับสังคมกับโลกภายนอกอยู่เราลองดูซิมาอยู่สามวันห้าวันเราไม่ใช่เลยได้ไหมงดการติดต่อเลยเรียกว่าปลีกวิเวกเลยตรงเนี้มันจะทําให้ความรู้เนื้อรู้ตัวนี้มีความต่อนเนื่องนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ที่จะทําทให้ความรู้สึกตัวของเรา มันขาดช่วงได้หรือบางทีเราฝึกไปเนี่ยฝึกในรูปแบบทำไปทำมามันเบื่อขึ้นมาก็หาเรื่องเอาเครื่องมือสื่อสารมามาเล่นบ้างมาโทรหาเพื่อนบ้างตรงนั้นคือเราพลาดไปแลละเราไม่ได้เรียนรู้ความเบื่อละไม่ได้เรียนรู้ความง่วงละเรียกว่าเราไม่กล้าที่จ ะ, ะเผชิญกับสิ่งที่เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้น ตรงนี้เราจะผ่านไม่ได้นะเรียกว่าเราเรากบเกลื่อนไปเพะฉะนั้นเราก็พลาดโอกาสในการที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจที่มันแสดงออกมาเพะฉะนั้นเครื่องมือสื่อสารเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะเราเก็บไว้เลยไม่จําเป็นไม่ต้องใช้เลยนะบอกทางบ้านเลยบอกช่วงนี้งดการติดต่อนะช่วงคราวนะจนกว่าจะถึงวันกลับนะเว้นแต่ว่าเรามีธุระจา เ, เป็นจริงจนะอันนั้นก็ว่ากันไป แต่สนะิ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยทําให้การฝึกของเรามีความต่อเนื่องอันที่สองนะที่จะทําให้เราพลาดโอกาสนะในการเจริญสติอย่างต่อเนื่องก็คือการพูดคุยนะการพูดคุยเนี่ยนะเป็นรูรั่วหลายคนนะฝึกเจริญสติในรูปแบบดีดีตั้งใจทําดีมากเลยมีความรู้สึกตัวต่อเนื่องดี แต่พอหมดเวลาเป้งก็คุยกันเลยการคุยเนี่ยนะมันจะทาให้เกิดรูรั่วทันทีแล้วเรื่องที่คุยนยสังเกตไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกก็เรื่องที่เราคุยกันเป็นปกติธรรมดาที่อยู่ในที่ทำงานนั่นแหละในสังคมนั่นแหละลองดูสิเราไม่คุยดูเงียบๆนะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ด้วยตัวเราเองจะอยู่ได้ไหมซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องท้าทายนะมันท้าทาย ความเคยชินเก่าๆที่เราไม่มีอะไรจะทำเราก็ต้องหาเรื่องคุยต่อไปนี้เราลองไม่คุยสิเราลองอยู่เงียบๆถ้ามันไม่มีเรื่องจำเป็นจริงๆนะเออเราก็ไม่คุยเพราะการคุยเนี่ยมันก่อให้เกิดความรุมเนื้อรุมตัวมันจะเข้าไปอยู่ในเรื่องราวของการพูดคุยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดอ่อนนะของคนที่ฝึกเจริญสติหลายคนมาฝึกหลายปีแต่ก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่า ไม่ได้อุดรูรั่วตรงนี้นยังใช้ความเคยชินเก่าๆการพูดการคุยการสันนากานซึ่งตรงนี้นก็เป็นจุดอ่อนแล้วมาอยู่ที่นี่นยนอยากจะชวนพวกเราใช้เวลากับการเจริญสติให้มันต่อเนื่องแต่การว่าต่อเนื่องในที่นี้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไปเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังซะจน ตึงเครียดเกินไปคนใหม่ๆเนี่ยฝึกเจริญสติเนี่ยมันมีรู้บ้างเผลอบ้างเผลอเผลอแล้วเรากลับมารู้บางคนไปตั้งใจมากเครียดนะใช้มันรู้ตลอดเวลาเลยอันนี้มันจะหนักมันจะตึงเครียดมันจะหนักเกินไปรู้บ้างเผลอบ้างแต่เผลอแล้วกลับมารู้ให้ได้บ่อยๆตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะทำในรูปแบบให้เยอะๆแล้วก็ช่วยโอกาส ในช่วงกิจวัตรประจำวันแม้แต่การกินสังเกตไหมเวลากินเนี่ยเราก็เรียนรู้ได้นะแล้วจะเรียนรู้ได้ได้ได้หลายอย่างด้วยการกินเนี่ย <c oughs> ถ้าเราเคี้ยวแล้วเรารู้กับการเคี้ยวรู้กับรสชาติต่างๆตรงนี้เราจะได้เจ ร, เริญสติกับการกินไม่พูดไม่คุยนั่งกินต่างคนต่างกินนะซึ่งวินัยของพระเองก็มีเหมือนกันนะเวลา ในขณะที่ข้าวอยู่ในปากเราจะไม่คุยแตนะซึ่งอันนี้ก็เป็นการฝึกสติเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยส่งเสริมเรื่องของการฝึกสติโดยเฉพาะเราเป็นฆราวาสญาติโยมเราก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ได้ในการกินในการรับทานอาหารหนาด้วยสติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะฝึกได้ในทุกขิจวัตรประจําวันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะัก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทําให้ต่อเนื่องได้ งาในระยะที่อยู่สามวันห้าวันเจ็ดวันโดยไม่ได้หวังคุอะไรนะแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าเรามีความเพียรมีความพยายามกระทำให้ต่อเนื่องอย่างที่เราได้สาธยายมนธรรมป่าหังเมื่อสักครู่นี้ธรรมะกล่าวดีแล้วพุทธองค์กล่าวไว้แล้วท่านค้นคว้าไว้แล้วค้นหาทางไว้แล้วเราไม่ต้องไปคิดค้นใหม่เลยทำตามเลยด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรด้วยความพยายาม ก็ทําให้ต่อเนื่องนะครตรงนี้มันก็จะเป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระเถรองได้กล่าวไว้ก็ดีครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้ก็ดีมันจริงหรือมันเท็จนะตรงนี้เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองอาศัยกําลังของเราความเพียรความพยายามความตั้งใจนะด้วยสติด้วยปัญญาของเราเนี่ยนะมันก็จะพิสูจน์ออกมาว่ามันจริงมันเท็จแค่ไหน ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องได้ด้วยการกระทำไม่ใช่ได้ด้วยการฟังด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาที่ไม่ลงมือกระทำนะศรัทธาที่ไม่ได้ลงมือกระทำเนี่ยมันอาจจะเสื่อมได้แต่ถ้าศรัทธาที่ลงมือกระทำมีผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ศรัทธาเรามีความตั้งมั่นแล้วเราก็จะมีความรื่นเริงในการที่จะปฏิบัติหให้ต่อเนื่องกันไปใหม่ๆเนี่ยนะ ต้องพร้อมที่จะเจอกับอารมณ์ทุกอารมณ์เลยนะความง่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดลำคาญพวกนี้เนี่ยเขาเป็นบทเรียนเป็นโจทย์ให้เรามาเรียนรู้ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะบางคนบอกเป็นอุปสรรคอาตมาว่าเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ความง่วงเนี่ยทาให้เรารู้ว่าเอออาการง่วงเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วมันมีมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดอดีเดสมันก็เปลี่ยน เดี๋ยมันก็ง่วงที่สุดของความง่วงก็ความตื่นมันจะมีสลับกันไปสลับกันมาอย่างเนี้ยเราอย่าหนีพอมันง่วงนี้เราหนีหนีหนีคือไปทําอย่างอื่นเราไม่เรียนรู้มันความฟุ้งซ่านเหมือนกันคนมาปฏิบัติไม่ว่าวิธีไหนก็ตามนะมันจะมีนะบางคนบอกเออสงสัยไม่ถูกกัจจเรศ แ, แล้วมัง้งทําแล้วทาไมมันคิดมากอยู่ที่บ้านเนม่นมันคิดขนาดนี้เลยอยู่ที่บ้านเนะี่ยเราทําสนใจเรื่องอื่นไง เราก็เลยไม่เห็นแต่พอเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยเราไม่ได้ทําอย่างอื่นเราทําเรื่องนี้เรื่องเดียวงานเราก็เห็นมันชัดเราจะเห็นมันเลย Н แล้วเราถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็จะไม่ไปตามมันมันคิดขึ้นมาเราทิ้งไปเลยกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวคิดขึ้นมาเท่าไหร่ทิ้งไปเลยกลับมารู้สึกตัวที่การเคลื่อนไห ว, ไรไร ต, ว, รไวตรงเนี้ยเป็นจุดสําคัญทําตรงเนี้ยจุดเนี้ยซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกมันจะเกิดความชํานาญ ความชำนาญ น, นี้จะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวมันจะไม่ไปกับความคิดปรุงแต่งมันจะไม่ไปกับอารมณ์นาเรียกว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวนาตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยนาสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจมีความเพียรมีความศรัทธานาที่จะทำให้ต่อเนื่องนาตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ที่สาคัญ ที่บางทีมันจะมาทำให้เราไม่อยากจะทำต่อเพราะเรารู้สึกเราทนไม่ได้กับความที่เราต้องง่วงความที่เราต้องเบื่อนะะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโจทย์เป็นแบบฝึกหัดให้เราผ่านถ้าเราผ่านตรงนี้ได้เนี่ยเราจะแข็งแกร่งขึ้นจิตใจเราจะมั่นคงขึ้นเราจะไม่พัดหลงไปกับอารมณ์ไม่พัดหลงไปกับความง่วงความเบือ่อนะตรงนี้ น่ะมันก็จะทำให้เราไปสัมผัสกับอารมณ์ที่มันมันมันละเอียดอ่อนขึ้นไปอีกแต่บางทีทำไปเราผ่านอย่างบางคนเนี่ยง่วงมากๆจนที่สุดมันหายง่วงแล้วมันตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกว่าโลกนี้มันสว่างสวยจริงๆนะหรือบางทีทำไปทาไปเนี่ยเดินไปตัวเบาเลยนะมีปิติขนลุกขนพองก็มีตรงนี้ก็เป็นอารมณ์ที่มันจะมาแสดงให้เราดูแต่เราอย่าไปติดมันนะ เราก็ต้องผ่านมันเหมือนกันวันนั้นทุกอารมณ์ทุกความคิดเนี่ยผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆไม่ต้องติดในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะซึ่งตรงนี้เนี่ยความเป็นปกติของใจก็จะแสดงตัวออกมาให้เราเห็นได้ชัดเจนซึ่งตรงเนี้เป็นความสุขเกษมสารหนะ้ที่มีอยู่แล้วในในทุกๆคนนะและเป็นสิ่งที่สามารถที่จะสัมผัสได้เป็นการสัมผัสด้วยใจไม่ใช่สัมผัสด้วยความคิด ไม่ได้คิดนึกเอาไม่ได้หาเหตุหาผลเอาแต่มันเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องมีความเพียรความพยายามความศรัทธาและกระทำโดยแยกคายนะตรงนี้เป็นจุดสำคัญเพระาะฉะนั้นสิ่งสูงสุดนะที่ชาพุทธเราปรารถนาความปรารถนาสูงสุดของชาพุทธเราไม่ใช่การที่เป็นคนร่ารวย ไม่ใช่เป็นการที่คนมีอายุยืนแต่ก็คือการที่เราสามารถออกจากความทุกข์ได้เป็นความปรารถนาสูงสุดที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาพระนันตรงนี้เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เราได้เมื่อสักครู่นี้ในบทกรวดน้ำเนี่ยนะได้พูดถึงว่าความปรารถนาสูงสุดก็คือความสุขเกษมสารมีพระ น, นิพพาน นะเป็นที่หมายปะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายที่ชาวพุทธเรานะได้ตั้งเอาไว้ได้มุ่งหวังเอาไว้เราไม่ได้มีเพียงแค่ร่างกายที่จะดูแลหล่อเลี้ยงให้มีความสุขเป็นปกติเท่านั้นแต่จิตใจนะที่เป็นปกติสุขนะเป็นสภาพของนิพพานน้อ ย, อยนะแต่ให้มันเกิดบ่อยๆให้เราสัมผัส บ, บ่อยๆตรงนี้มันก็จะทาให้เราเห็น คุณค่าของการปฏิบัติของการฝึกเจริญสติเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ค้นพบไว้เมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้วซึ่งสิ่งนี้ เ, นเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขในการงานในการอยู่ในการที่เราจะทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปเพราะนั้นเป้าหมายสูงสุดของชาพุทธเราเนี่ย นะก็คือการมีจิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์นะซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์ไพศาลก็พูดบ่อยๆอาตมาก็ชอบใจในคำพูดคำนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดนะของการมีชีวิตนะซึ่งเป้าหมายนี้ผลอันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยที่เราคิดนึกเ่านะหรือปรารถนาเอาแต่ต้องลงมือกระทำนะด้วยตัวเราเองไม่มีใครทำให้ได้ และเป็นสิ่งที่เราทําได้ด้วยก็ขอให้พวกเรานะด้วยความศรัทธาที่เรามีความตั้งใจที่เรามีความเพียรที่เรามีเวลาที่เหลืออยู่ให้เป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัวของการเจริญสติให้ต่อเนื่องต่อไปทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงกคุณของพระศรีรัตนตรยัย แลนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติสัมปชัญญะที่มีในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏทั้งภายในและภายนอกนะพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัตินะที่ทุกคนแต่ละคนได้กระทําด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรพยายามความอดทนด้วยสติปัญญา สิ่งเหล่านี้นะก็ขอให้เป็นพระวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านได้พบกับความสุกเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายโดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร